สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะอยู่ในชีวิตเระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับอิสราเอลตอนที่สามครับน้องครับในวันนี้เราได้ไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาในสถานที่หลายแห่งครับตั้งแต่เช้าที่ออกมานะครับเราก็ไปที่เมืองเมืองหนึ่งครับชื่อว่าเมืองเยริโกครับเมืองเยริโกนี้เป็นเมืองเก่าแก่โบราณมากครับมีอายุประมาณ หนึ่งหมื่นปีเดียวถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับเป็นแหล่งอารยาธรรมที่อยู่อ่าเป็นแหล่งที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเมืองเยรรโคนี้อยู่ต่ํ า, าบบถถ ก, กว่าระดับน้ําทะเลถึง400เมตรครับ400เมตรนี่ก็คือต่ํากว่าระดับน้ํำทะเลปกตินะครับถึง400เมตรครับเราจะเห็นนะครับว่า เป็นเมืองที่ตกแก่และเป็นเมืองแรกในแผ่นดินณันนันครับที่พระเจ้ามอบให้กับชนชาติยิงชนชาติอิสราเอลเพราะว่าการอัศจรรย์ากละการเชื่อฟังพระเจ้าและผู้นําในเวลานั้นก็คือโยชัวเพือนครับโปรดฟังพระธรของพระเจ้านะครับในโยชัวบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ยี่สิบเอดท่านจะเห็นกาแพงเมืองเยงเรโอมถล่มนะครับหลังจากที่ปุรีเจ็ดคนถือเผาแกะเจ็ดคันเดินนําหน้าอิปัสตญยารอบเมือง โปรดบางพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าตัดกับยูชัวว่านี่เลยเราได้มอบเมืองเงยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และแก้วทหารจักรไหลจงเดินกระบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทําเช่นนี้หกวันและให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือเขาแกะเจ็ดคันนําหน้าหีกและในวันที่เจ็ดนั้นเจ้าจักงหลายงเดินรอบเมืองเจ็ดครั้งให้ปุรหิตเป่าเขาแกะไปด้วย และเมื่อเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแกะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งกวงโหร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกําแพงเมืองจะพังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนจงไปข้างหน้าของตนทีนี้ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโยชั ว, วก็เรียกปูโรหิต บ, บอกว่าจงยกหิปัญญาถามไปให้ปูโรหิตเจ็ดคนถือแส เสาแกะเจ็ดทันเดินนำหน้าขี่แผงพระเจ้าและท่านก็สั่งประชาชนว่าจงออกเดิน ร, รอบเมืองนั้นและให้ฐานถืออาวุธเดินข้างหน้าขี่แผงพระเจ้าอย่างครับในวันที่เจ็ดนะครับเขาลุกขึ้นแต่เช้าตู่เดินขบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครั้งเฉพาะวันเดียวนั้นเขาได้เดินขบวนรอบเมืองเจ็ดครั้งในครั้งที่ 7, เจ็ดเมื่อปูริตเป่าเสาแกะโยชัวบอกกับประชาชน ว, ว่าจงโห่ร้องขึ้นเถิด พระเจ้าทรงมอบเมืองนั้นให้แก่ท่านแล้วเมืองนั้นและสารพัดในเมืองนั้นเป็นของที่ต้องทำลายถวายแด่พระเจ้าเว้นแต่รหัสหญิงโสเภณีกับคนทั้งหลายที่ในเรือนของนางนางจะรอดชีวิตเพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสารที่พวกเราใช้ไปในที่สุดนะครับพี่น้องครับกำแพงเยงอโขก็พังราบลงและรหัสหญิงโสเภณีและครอบครัวขอ ง, งานาง และต่ละพักที่เป็นของนางโยชัวได้ไว้ชีวิตและนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเยริโคเมื่อเราไปดูที่เมืองเยริโกนะครับเราเห็นป้อมครับป้อมที่นักโวราณคดีนั้นได้ขุดลึกลงไปนะครับป้อมนี้สูงมากครับป้อมนี้ครับมีอายุถึง1 0 0่งมืนปีเลยทีเดียว และคาดกรณีว่าหลังจากหนึ่งหมื่นปีนะครับตอนที่ที่จะโดจูวาจะเดินนะครับก็จะเป็นอรารยธรรมเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับไปเห็นหินนะครับที่ถูกสร้างขึ้นเป็นกำแพงหมือเป็นอิฐครับก้อนสี่เหลีย่ยมแต่นิฐานว่าตรงบริเวณนั้นนะครับน่าจะเป็นกำแพงของเยริโคในสมัยของโดจูวาครับ ีนะครับเยริโค er er นั้นก็ถูกทำลายจนหมดและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่จะสร้างเมืองนี้ต่อนะครับก็จะถูกสาปแช่งเฉพาะขปของพระเจ้าแต่แครับเมือง น, นี้นั้นเป็นโอเอซิสกลางทะเลทรายนะครับทั้งด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาที่ทุรกันดารมาก เป็นภูเขาที่พระเยซูได้ทรงถูกมารสาดานงตตองครับก็เรียก Mount of Temptation แต่ส่วนข้างหลังครับก็คือ o a s i s ที่เกียวกระีครับรแสดงว่าเยริโคนี้จะต้องมีน้ำและจริงครับเยริโค er มีบอ่อน้าพุนะครับเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์แต่ในพมพีเดิมเราพบว่าเอริชานะครับซึ่งเดินทางผ่านมา ท่านได้ถูกขอร้องจากผู้คนในเยโคบอกว่าขอช่วยเขาหน่อยเพราะว่าตาน้ำหรือบ่อน้ำพูนั้นมันเป็นพิษครับมันมีรสขมเอลิชาก็เลยโรยเกลือเข้าไปอยู่ในน้ำนะครับและอธิษฐานในที่สุดน้ำนั้นก็จืดสนิทจบและน้ำนั้นก็น้านั้นก็กลายเป็นน้ำพุหล่อเลี้ยง คนในเมืองเยริโกตั้งแต่ป่านั้นเป็นต้นมาคำนี้คขีสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวันิศาสของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเมืองเยริโก ค, ครับออกจากเยริโกแล้วนะครับพวกเราก็เดินทางไปที่ถ้ำคุมรานครับถ้ำคุมรานนั้นเป็นถ้ำที่เป็นเป็นภูเขานะครับที่มีถ้าเล็กถ้ำน้อยซึ่งในอดีตนั้นคนเลี้ยงแกะมักแกะนําผงแกะขึ้นไปหลบพายุคนเลี้ยงแกะพวกนี้เป็นชาวเมรูอิงครับ วิถีชีวิตของชาวเบดูอินก็คือเขาเร่ร่อนสร้างเพิงอาศัยตามุูเขาเป็นกลุ่มๆนะครับซึ่งก็มีว่ามีเด็กเลี้ยงแกะครับซึ่งนํำผงแกะเข้าไปหลบอายุแล้วก็เด็กเลี้ยงแกะคนนี้ที่เป็นชาวเบดูอินนะครับแกะเขาเนี่ยหายไปเขาก็เดินตามแกะครับเข้าไปอยู่ในถ้าเขาก็รู้สึกว่ามีความมืดมาก ก็เลยต้องหยิบหินขึ้นมานะครับแล้วก็โยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยเพื่อที่จะได้ยิงเสียงนะครับเรียกว่าโยนหินถามทางนะครับในสุดแล้วเนี่ยเมื่อเขาโยนเข้าไปปรากฏว่าหินของเขาเนี่ยไปกระทบกับหายครับหอกระเบื้องเนี่ยแตกเขาก็เลยเข้าไปดูครับว่าหอยกระเบื้องนั้นเกิด อ, อะไรเขาก็ได้พบกับแผ่นหนังนครับแผ่นหนังที่จารึกหรือเขียน เป็นพระกัมพีเดิมครับสามิเท้าเล่นนะครับและที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือเจอพระธรรมอิสยาทั้งเล่ม น, นะครับครบท้วนเก่าแก่ที่จุดในโลกนะครับก็คือประมาณสองร้อยปีก่อนประธิศูนพี่น้องทับใครเป็นคนเกียนกับเป็นคนคัดลอกพระกัมพีเหล่านี้การเจอที่แสงจะ เป็นพระคุณเป็นการอัศจรรย์นะครับถอยย้อนกลับไปถึงคนที่เขียนครับเป็นพวกที่อยู่ในบริเวณตรงถ้ำนะครับคุ้มรางนะครับและพวกนี้นะครับเป็นชุมชนที่เขาแยกตัวออกมานะครับเพื่อที่จะทันร้องพื้นทีโดยเฉพาะชุมชนนี้นะครับ เรารู้ว่ามีอยู่ประมาณ200คนครับเป็นชุมชนผู้ชายอย่างเดียวตอนเช้าเขาจะต้องไปหาอะไรมากินนะครับอาจจะต้องเดินทางเป็นเวลาหลาสิบกิโเมตรเพื่อที่จะไปหาอาหารนะครับและหลังจากนั้นกลับมากลับมาแล้วก็รับประทานอาหารที่ด้วยกันหลังจากนั้นทําพิธีชำระตัวครับและพวกเขาก็เริ่มกันเลือพระัมภี์ พี่น้องครับไม่ว่าเขาจะที่ฐานเขาจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเขาจะต้องทําธรรมะตัวก่อนเสมอเพราะพวกนี้เป็นพวกที่แยกตัวเองนะครับเรื่องเซตพาราติสก็คือแยกตัวเองออกเพื่อที่จะให้เกิดความบริสุทธิ์ในการทาําพระราชกิจของพระเจ้าก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งหลายนะครับในขณะที่เรากําลังรับใช้พระเจ้าสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งยวดที่สุดก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์ ชีวิตที่สอดคล้องกับคำสอนครับครับจากเดซี่โกร์ครั บ, รบที่พบที่ถ้ำอุมรานพวกเราก็เดินทางต่อนะครับไปที่ทะเลตายครับทะเลตายนั่นก็จะเป็นเป็นเวลาที่พวกเรามีความชื่นชมินดีสนุกสนานเพราะว่าได้มีโอกาสลอยตัวในทะเลตายที่มีน้ำทะเลที่เข็มค้นมากนะครับ เข้มค้นมากกว่าน้ำทะเลธรรมดาถึงสิบเท่าซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้คนนะครับไม่จมเขาสามารถนั่งอ่านสือพิมพ์ได้ครับลอยตัวได้นะครับในน้ำเนี่ยครับในน้าในทะเลตายนะครับหลังจากที่เราไปที่ทะเลตายนะครับเราก็จะออกจากเอ่อเดซีนะครับกลับมาที่กรุงเยอรสนครับพอมาที่กรุงเยอรมนนั้นพวกเรารู้ครับว่าเดซีนั้น ก็อยู่ใต้นะครับอยู่ใต้ระดับ น, น้ำทะเลถึง400เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางขึ้นมานะครับก็จะคิดถึงสว ด, ดีบทหนึ่งครับสุ ด, ดีบทนี้เป็นสุ ด, ดีที่ของกษัตริย์ดาวิดนะครับใช้แห่ขึ้นมานะครับหมายความว่าคนต่างๆเนี่ยที่เขาจะไปนมัสการพระเจ้านะครับเขาจะต้องขึ้นไปที่กรุงเงยรูเซนเพราะเนื่องจากเยรูเซนนั้นเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาครับ นั้นเราจะเห็นภาพของการเคลื่อนตัวจากที่ต่ำนะครับไปสู่ที่สูงจึงเป็นเหตุที่ทําให้เสียดีในหลายบทนั้นเป็นเสียดีที่เรียกว่าเป็นการแห่ขึ้นนะครับเป็นบทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นของคนที่จะเป็นนััสการพระเจ้าที่ปริหารที่กลุ่มเดียวเสียในสมัยต่อมาเชท่ากับเสียงดีบทที่หนึ่งรอยยสบเอ็ดนะครับเป็นบทเพลงแห่ขึ้นพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาของท่าน ตรวฟังพระชนะของพระเจ้าครับเาพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปสมบทของเาพเจ้ามาจากไหนพระอุปสมบทของเทพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงจะไม่ให้เท้าของท่านคลาดไปทรงผู้ทรงอารักฐานั้นจะไม่เคลิบไปดูเถิดทรงผู้ทรงอารักฐาอิโจเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักาท่าน พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นพรุ่งจะทรงอารักขาชีวิตของท่านเพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การ บ, บัดนี้สืบไปเป็นนิจนี่คือเกอ ด, ดีหรือบทเพลงที่ใช้แห่งขึ้นครับเมื่อพี่น้องมา ทัศนักศึกษาที่เบสซีแล้วหากว่าท่านจะขึ้นไปที่เยลเซนท่านเห็นครับชัดเจนะครับว่าเยลเซนน้ำอยู่บนภูเขาครับเพราะฉะนั้นรถที่เรานั่งก็จะต้องขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยจากระดับน้ําทะเล400เมตร น, นะครับค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปนไปต่ระดับขึ้นไปครับจนกระทั่งใ น, งนสุดแล้วเราก็มาถึงกรุงเยูลเ็นเป็นเป็นกรุงนะครับเป็น เมืองที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเมืองที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือให้คนยิวนั้นได้ทำการถวายบูชาั<ม>น้ามรดกพระเจ้าและเป็นเมืองที่มีความสงบมีที่สุดแต่พี่น้องครับทั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นเราเห็นว่ากรุงเยเล็มนั้นไม่เคยมีเวลาว่างเลยครับยกเว้นเวลาเดียวก็คือตั้งแต่สมัยดาวิดจนถึงกษัตริย์ โซมอนครับหลังจากนั้นก็จะถูกแบ่งประเภทแบ่งแบ่งประเทศเป็นเหนือเป็นใต้แล้วก็ในสุดก็จะถูกทําลายเพียงครับในคอทอเกติปก็เช่นเดียวกันครับกรุงเยรูซาเล็มในสมัยพระเยซูนะครับพระเยซูเจเนตขึ้นสวรรค์ไปแล้วต่อมาในคอทอเกติปกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทําลายอีกครั้งหนึ่งโดยทหารโรมันนะครับเพียงครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ประสบการณ์ มาในวันนี้และขอแบ่งปันให้กับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยให้เราที่จะได้เห็นถึงความหมายายวิญญาณของสถานที่ต่างๆที่เราเดินตามรอยพระบาทพระเยซูนะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและทรงวอวย พ, พรพี่น้องักทุกท่านอาเมน